ให้ถูกล่อถูกชักจูงไปในทางที่จะปลนเปลืออายตนะอยู่เสมอจนเคยชินแล้วรุนแรงยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นนั่นเองคนจํานวนมากบางทีไม่เคยได้รับการเตือนสติให้สํานึกหรือยั้งคิดที่จะพิจารณาถึงความหมายแห่งการกระทําของตนและอายตนะที่ตนปลนเปลอบ้างเลยและไม่เคยปฏิบัติเกี่ยวกับการฝึกอบรมหรือสังวรระวังเกี่ยวกับอายตนะ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 เกี่ยวกับการควบคุมการสำรวมระวังใช้งานแล้วรับใช้อายตนะเหล่านั้นในทางที่จะเป็นประโยชน์อย่างแท้จริงแก่ชีวิตของตอนเองและแก่สังคมคุณค่าทางจริยธรรมข้อที่2ออายตนะเป็นแหล่งที่มาของความสุขความทุกข์ ซึ่งเป็นเป้าหมายแห่งการดำเนินชีวิตทั่วไปและความเพียรพยายามเฉพาะกิจแทบทุกอย่างของปุถุชนด้านสุขก็เป็นการสแสวงหาด้านทุกข์ก็เป็นการหลีกหนีนอกจากสุขทุกข์จะเกี่ยวเนื่องกับปัญหาความประพฤติดีประพฤติชั่วที่กล่าวในข้อหนึ่งแล้วตัวความสุขทุกข์นั้นก็เป็นปัญหาอยู่ในตัวของมันเองในแง่ของคุณค่าความมีแกนสารและความหมาย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 ย่อมเป็นเรื่องของจริยธรรมไปด้วยในตัวคุณค่าทางจริยธรรมข้อที่สอายตนะในแง่ที่เป็นเรื่องของกระบวนการรับรู้และการสแสวงปัญญาก็เกี่ยวข้องกับจริยธรรมตั้งแต่จุดเริ่มต้นเพราะถ้าปฏิบัติในตอนเริ่มแรกไม่ถูกต้อง การรับรู้ก็จะไม่บริสุทธิ์แต่จะกลายเป็นกระบวนการรับรู้ที่รับใช้กระบวนการเสพสวยโลกหรือเป็นส่วนประกอบของกระบวนธรรมะแบบสังสารวัฏไปเสียทำให้ได้ความรู้ที่บิดเบือนเอ็เอียงเคลือบแฝงมีอคติไม่ถูกต้องตรงตามความจริงหรือตรงกับสภาวะตามที่มันเป็นการปฏิบัติในทางจริยธรรมที่จะช่วยเกื้อกูลในเรื่องนี้ ก็คือวิธีการที่จะรักษาจิตให้ดำรงอยู่ในอุเบกขาคือความมีใจเป็นกลางมีจิตราบเรียบเที่ยงตรงไม่เอียงเอียงไม่ถูกอำนาจกิเลสมีความชอบใจไม่ชอบใจเป็นต้นเข้าครอบงำคุณค่าทางจริยธรรมข้อที่สี่ การปฏิบัติทางจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับอายตนะโดยตรงบ้างโดยอ้อมบ้างมีหลายอย่างบางอย่างก็มีไว้เพื่อใช้ในขั้นตอนต่างๆกันทั้งนี้สุดแต่ว่าปัญหามักจะเกิดขึ้นที่จุดใดทุกระบาดากุศลมักได้ช่องเข้ามาที่ช่วงตอนใดอย่างไรก็ตามท่านมักสอนย้ำให้ใช้วิธีระวังหรือป้องกันตั้งแต่ช่วงแรกที่สุด คือตอนที่อายตนะรับอารมณ์ทีเดียวเพราะจะทําให้ปัญหาไม่เกิดขึ้นเลยจึงเป็นการปลอดภัยที่สุดในทางตรงข้ามถ้าปัญหาเกิดขึ้นแล้วคือบาปอากุศลธรรมได้ช่องเข้ามาแล้วมักจะแก้ไขยากเช่นเมื่อปล่อยให้อารมณ์ที่ล่อเรา้าเยั้วยวนครอบงําใจจิตถูกปรุงแต่งจนราคะหรือโลภโทสะโมหะเกิดขึ้นแล้ว ทั้งที่รู้ผิดชอบชั่วดีมีความสำนึกในสิ่งชอบธรรมอยู่แต่ก็ทนต่อความเย้ายวนไม่ได้ลุกอำนาจกิเลสทำบาปอากุศลลงไปด้วยเหตุนี้ท่านจึงย้ำวิธีระมัดระวังป้องกันให้ปลอดภัยไว้ก่อนตั้งแต่ต้นองค์ธรรมสำคัญที่ใช้ระมัดระวังตั้งแต่ต้นก็คือสติซึ่งเป็นตัวควบคุมจิตไว้ให้อยู่กับหลัก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 คุ้มครองทวารในอินทรีย์ทั้งหลายหมายถึงการมีสติพร้อมอยู่เมื่อรับอารมณ์มีรูปเป็นต้นด้วยอินทรีย์มีตาเป็นอาทิก็ไม่ปล่อยใจถือไปตามนิมิตหมายต่างๆอันจะเป็นเหตุให้เกิดการติดพันขุนเคืองชอบใจไม่ชอบใจแล้วถูกอกุศลธรรมเข้าครอบงามจิตใจการปฏิบัติตามหลักนี้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 จึงต้องมีการซ้อมหรือใช้อยู่เสมอการฝึกอบรมอินทรีย์ก็มีชื่อเรียกว่าอินทรียพาวนาแปลตามแบบว่าการเจริญอินทรีย์คือพัฒนาอินทรีย์ผู้ที่ฝึกอบรมหรือเจริญอินทรีย์แล้วย่อมปลอดภัยจากบาปอากุศลธรรมความทุกข์และความรู้ที่เอ็เอียงบิดเบือนทั้งหลาย เราะป้องกันไว้ได้ก่อนที่สิ่งเหล่านั้นจะเกิดขึ้นหรือแม้หากความชอบใจไม่ชอบใจจะหลุดรอดเกิดขึ้นมาก็สามารถระ ง, งับหรือสลัดทิ้งไปได้เร็วพลันสำหรับในแง่ความรู้ความคิดที่เอ็นเอียงบิดเบือนนั้นในที่นี้หมายเฉพาะปลอดภัยจากเหตุใหม่ไม่พูดถึงเหตุที่สังสมไว้เก่า คือตันหามานาทิฐิที่มีอยู่เดิมซึ่งเป็นอีกตอนหนึ่งตังหากอินทรียสังวร น, นี้จัดว่าเป็นหลักธรรมในขั้นศีลแต่องค์ธรรมสำคัญที่เป็นแกนคือสตินั้นอยู่ในจำพวกสมาธิถ้าไม่มีการใช้กำลังจิตและการควบคุมจิตอยู่เสมอ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 ก็จะอธิบายต่อไปข้างหน้าอีกจึงพูดไว้โดยย่อเพียงเท่านี้